ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุพรสิกขาและปุพระสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรักษิตะอมโรเกิดวัดบรมิวาดรจนาต่อไปจะเป็นธรรมรัตนกาถาจักพันานาธรรมรัตนถามว่า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 เป็นการเจริญกายคตาสติภาวนามีปฏิกูลสัญญาบังเกิดขึ้นรำนับเสียซึ่งความกำหนัดความโกรธความหลงได้ก็ดีหรือเห็นละเอียดลงไปว่าสปปรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใช่ตนด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ด้วยวิปัสนาภาวนาแล้วไม่มีความโลภความโกรธความหลงด้วยเห็นว่าปฏิบัติอย่างนี้จะให้ตนได้สุขภายหน้าและพ้นทุกข์ทั้งปวงดังนี้ก็ดี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 เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพาสิทิ์ไว้ว่าธรรมโมหเว ร, รคติธรรมมจาริงธ ร, รมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอซาณิสั่งโซธรรมเมตุจินเนณทุขติงคัจฉติธรรมมจารีแต่ว่าธรรมนั่นเทียวใช่อื่นย่อมรักษาไว้คือว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมทำอันบุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุข อันนี้เป็นอนิสงในธรรมอันบุคคลประพฤติแล้วดีคือผู้ประพฤติซึ่งธรรมย่อมไม่ไปยังทุคติซึ่งแปลว่าของอันบุคคลจะพึงทรงไว้นั้นได้ในปริยัติธรรมอันประกาศซึ่งความดีจริงนั้นเพราะปริยัติธรรมเป็นระเบียบบทบุคคลจะพึงเล่าท่องทรงจาอันหนึง่งปริยัตจะแปลว่าทรงไวซึ่งผู้ทรงไวซึ่งตนด้วยก็ได้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 ได้แก่โลกิยกุศลธรรมซึ่งเป็นไปในภูมิสารคือการมวจรรูปวจรอะรูปวจรที่ยั่งยืนนั้นคือเกิดขึ้นแล้วแม้ดับไปความโลภความโกรธความหลงก็ไม่กลับเกิดขึ้นอีกได้เลยได้แก่โลกุตระธรรมอันจะกล่าวในภายหน้านูนอันหนึ่งธรรมจัดโดยย่อเป็นสามคือปริยัตตธรรมหนึ่งปฏิบัตตธรรมหนึ่งปฏิเวทตธรรมหนึ่ง ระเบียบถ้อยคำอันกรอบด้วยกิริยาและการรกประกาศซึ่งปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวทสัตธรรมชื่อว่ า, รราปริยตสัตธรรมปริยสัตธรรมนั้นจัดโดยบุคคลผู้กล่าวเป็นสี่คือพุทธภาศิตธหนึ่งสาวกภาสิตธิหนึ่งอิสิภาสิต1หนึ่งเทวตาภาสิท1ิ์หนึ่งาที่พระพุทธเจ้าทรงพาสิทแสดงไว้ชื่อว่าพุทธภาษิทิ์ ได้แก่วินัยสุตันตะอภิธรรมมัทธะทำอันสาวกนับเนื่องในบริษัทสี่ก็คือพิสูตพิสุตีอุบาสกอุบาสิกาภาติทธไว้แสดงไว้มีอนันงคณะสูตรสั ม, มาทิฏฐิสูตรเป็นต้นชื่อว่าสาวกขาสิทธก็สารีบุตรก็แสดงไวทง้ทั้งสองสูตรนี้นะอนังคณะสูตรสูตรที่ว่าด้วยกิเลสเพียงดังเนินแล้วก็สัมมาทิฏฐิสูตรสูตรว่าด้วยความเห็นถูกต้องก็สารีบุตรเป็นผู้แสดง ก็เรียกว่าสาวกกะภาสิตแต่ว่าถ้าเมื่อไรที่พระพรุทธเจ้ารับรองหรือว่านุโมทนาอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นพุทธภาสิตไปด้วยทมอันรูษีปริพาชกไายนอกซึ่งรู้ภูมิแห่งธรรมภาสิตแสดงไว้ดังปริภาชะกะวะเป็นต้นชื่อว่าอิติภาสิตภาสิตของรูษีาำที่เทวดามานพรภาสิตแสดงไว้ชื่อว่าเทวตาภาสิต ได้แก่ระเบียบแห่งคำในเทวตาสังยุตเป็นต้นที่เป็นคำอันเทวดาเทวบูตรและมารพรหมกล่าวปริยัติธรรมซึ่งจัดโดยภาสิติอย่างนั้นมีองค์อวัยวะเป็นที่กำหนดเก้าก็คือสุตตะหนึ่งคยะหนึ่งวยากรณะหนึ่งคาถาหนึ่งอุทานหนึ่งอิติวุตกะหนึ่งชาตกะหนึ่งอภูตธรรมหนึ่งเวทละหนึ่ง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 สัทธาภะระวิยริยะภระสติภระสมาธิภระปัญญาภะระอย่างนี้ชื่อว่าสุตตะหรือคําว่าอิทัพิคะเวอริยสาวโกสัตโตโหติสัตดะหติตถากตัสสโททิงอิติปิโสพะควาระหังสมมาสัมพุทโตจนทั้งถึงพะควาติดังนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าสุตตะเหมือนกั น, น, น, นกอ็อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้มีสัทธาประกอบด้วยสัทธาเชื่อปัญญาตัรถุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ว่า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 บ้างคาถาบ้างปนกันอยู่ดังสคาถาวัในคัมภีร์สังยุตชื่อว่าเขยะระเบียบคำที่เป็นจุนิยะบทล้วนล้วนไม่มีคาถาปนดังธรรมจักรปรวัตนสูตรเป็นต้นชื่อว่าเวยากรณระระเบียบคำที่ท่านประพันธ์ผูกเป็นคาถาล้วนไม่มีจุนิยะบทปนดังกามสูตรคูหัดถากสูตรเป็นต้นในมหานิเทศชื่อว่าคาถา ระเบียบคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยสมณัสยานเต็งออกชื่อว่าอุทานดังคำว่ายะดาหาเวปาตุพวันติธรรมมาอาตาปิโนชาณโตบรามนาสะอาทัสกังขาวะปยันติสับบายะโตประชานาติสเสหตุธรรมมังเป็นต้นอุทานนี้เป็นคาถาตมีเป็นจุนิยาบทป่มี ระเบียบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุเทศวาระขึ้นก่อนแล้วแสดงอุเทศวาระนั้นแล้วจึงกลาง่าวนิคมในภายหลังอีกชื่อว่าอิติวุตกะเหมือนคำว่าอิมาชะทาตุโยพิขเวมยาธรรมโมเดติโตอนิฆหิโตอสังกิริโธอนุปวัชโชอปติกุตโวะสมเนหิบรามเนหิวินยูหีติอิติโขปเนตังวุตังกินเจตัง ปฏิจจวุตตังชยิมาพิกเวธาตุโยปัทวีธาตุจนกรทงถึงวิญยูหีติอิติยันตังวุตตังอิดะเมตตังปฏิจจวุตตังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอิติวุตการระเบียบคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงบูรพาจารีตที่กรอบด้วยคำว่าภูตะปุบังพิกเวดังนี้ชื่อว่าชาตกะก็คือชาดก ดังทีคาวุชาดกและมะขะเทวชาดกเป็นต้นระเบียบคำกรอบด้วยอัจฉริยะอภูตธรรมดังคำว่าจัตตารโหมีพิขเวอัจฉริยาอภูตธรรมมาอานันเดเป็นต้นชื่อว่าอัภูตธรรมธรรมที่เป็นทีินาอัศจรระเบียบคำที่ผู้ถามได้ความรู้แจ้งและความยินดีถาม ต, ต่อขึ้นไปชื่อว่าเวทัละ ดังจุลเวทารสูตรมหาเวทารสูตรสัมมาทิฐิสูตรสักกะปัญหาสูตรเป็นต้นอนหนึ่งเคยยะและวิยากรณะเป็นต้นท่านก็เรียกว่าสุตตะก็เรียกว่าสูตรเหมือนกันเคยะและวิยากรณะเป็นต้นท่านก็เรียกว่าสูตรเก้านี้ชื่อว่าเป็นองค์แห่งปริยัติสัทธรรมเรียกว่านวังคะสัตตุศาสตร์ปริยัติสัธรรมนี้เมื่อพระสามคีติ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 ส่วนธรรมท่านเรียกว่าปัญจมิกายแปลว่านิกายห้าคือทีขนิกายพระสูตรขนาดยาวมัชฌิมนิกายก็พระสูตรขนาดปานกลางสังยุตตานิกายก็พระสูตรที่ผสมเป็นสังยุตตสังยุตติไปแล้วก็อังคุตตานิกายก็พระสูตรที่ว่าด้วยองค์ที่เพิ่มขึ้นเท่ละหนึ่งตั้งแต่หมวดหนึ่งจนทั่งถึงหมวดสิบเอ็ดขุตตะกนิกายก็พระสูตรย่อยๆหลายๆหมวดสิบห้าคัมภีร์ด้วยกัน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 ส่วนระเบียบคำซึ่งประกาศทำที่สุขุมละเอียดบ้างที่ไม่สุขุมละเอียดบ้างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเป็นเคยะบ้างเป็นเวยากรณะบ้างเป็นคาถาบ้างเป็นอุทานบ้างเป็นอิติอุตตะบ้างเป็นชาตกะบ้างเป็นอภูตธรรมบ้างเป็นเวทัลาบ้างและพระสังคีติกาจริยะเจ้าท่านจัดไว้เป็นระเบียบคำมีนิทานบ้างไม่มีนิทานบ้าง ระดับด้วยองค์คือสุตตะมากบ้างน้อยบ้างดังนี้ชื่อว่าสุตันตปิฎกท่านจัดระเบียบคําทิปการธรรมะอันสุขุมละเอียดไม่มีนิทานและประดับด้วยองสองคือสุตะและเวียกรรมะดังนี้ชื่อว่าอาภิธานปิฎกเพราะเหตุ น, นั้นพระอัตาจริยะเจ้าท่านจัดชี้ปริยัติธรรมท่านจึงกล่าวว่า ปตากัตยะสังคหิตังสับบางพุทธวัจนะังปริยติสัทธรัรมโมนามะแปลว่าคําแห่งพระพุทธเจ้าที่ตั้งสงเคราะห์ด้วยหมวดสามแห่งปิดกชื่อว่าปริยสัทธรรมด้วยคําว่าพุทธวัจนงแปลว่าคําแห่งพระพุทธเจ้านั้นหรือว่าคําของพระผู้มิพระภาคเจ้านั้นให้นักปราชญ์พึงรู้เถิดว่าคําที่สาวกและฤาษีและเทวดาภาษิทธ์แล้ว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 ปริยัตัตธรรมนี้แต่เดิมท่านทรงไว้ด้วยปากเรียกว่ามุขาปาฐะเมื่อประดิษฐานอยู่ในพระอริยเจ้าผู้มีสันดานอันบริสุทธิ์พระปริยตัธรรมก็เป็นของบริสุทธิ์ใสสะอาดราชจาสัตยธรรมปฏิรูปคำเป็นธรรมปลอมดังทองในท้องพระคลางหลวงซึ่งบริสุทธิ์ปราชจารรของปลอมครั้งนานมาพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วสี่ร้อยปีพระเถระเจ้าทั้งหลายในลังกาทวีด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 ปรากฏชื่ออยู่ในอัตกถาสูตเช่นนั้นคนที่เป็นนักปราแต่งขึ้นไว้อ้างว่าเป็นพุทธภาสิทธิ์บ้างสาวกปลาสิทธิบ้างมีอยู่มากดังอค า, าระวะตารสูตรวิชานสูตรและคำพีอื่นๆเมื่อเป็นเช่นนี้กุ่บุตรผู้มีปรีชาเมื่อเห็นคำพีและตาฐะที่ท่านอ้างว่าเป็นพุทธภาสิทธิ์และสาวกปาสิตธิใดๆก็ดีถ้ามีความสนเทแล้วไซ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 ไม่รำงับความโลภความโกรธความหลงหลงได้และไม่เป็นไปเพื่ออภิญญาความรู้ยิ่งรู้ของจริงสีย่างคืออริยสัจ ร, ระเบียบคําเช่นนี้ชื่อว่าวิบัติโดยอัดไม่ควรเชื่อระเบียบคําอันใดแสดงอัดคือข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อวินยัยนําเสีได้ถึงราคะโทตะโมหะอันเป็นอกุศลสังิเลตและเป็นไปเพื่อ อ, อภิญญาความรู้ยิ่งสัจจะของจริงสี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 หมายถึงการเข้าไปสอบสวนการเข้าไปรับรู้การเข้าไปพิจารณาจนก์ทั่งรู้ความเป็นจริงก็อาศัยทั้งความขยันแล้วก็อาศัยทั้งปัญญาแต่ว่าเหตุภายนอกนั้นก็คือการลักษบัติว่าสมัยนั้นมีคนเคารพธรรมวินัยมากน้อยแค่ไหนสาม า, ารถที่จะแนะนำคำสอนถูกต้องตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการลักบัตซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคง เป็นการสมบัติมีพฤติธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าเผยแผ่มากมายทั้งในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ศึกษาคําสอนเหล่านั้นแล้วก็ตรงกันสืบต่อกันมาอธิบายแจก แ, แจงขอที่จะทําการปฏิบัติให้รู้ให้ถึงให้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็กด์ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาในการที่จะศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อน้อมนําไปในการที่จะปฏิบัติซึ่งก็จะแสดงเรื่องของปฏิบัติศรัทธาในวันทุ่งนี้